ขณะแห่งจิตที่กำหนดอยู่กับอิริยาบถอย่างต่อเนื่องเมื่อถูกเรียกให้หันเช่นนี้สติก็ทำงานอัตโนมัติเห็นว่าการหันไปด้วยอัตตาเป็นอย่างไรสติที่หลุดจากอิริยาบถแวบหนึ่งทำให้ย้อนกลับมาเห็นว่าธรรมดาคนเราจะรู้สึกถึงอิริยาบถยืนโดยความเป็นที่ตั้งของอัตตาสำคัญว่าเราถูกเรียกไม่ใช่อิริยาบถยืนถูกเรียก แต่หากมีอิริยาบถเป็นฐานสติอยู่ก็จะเกิดการปรุงแต่งไปอีกอย่างคือกายนี้เป็นเป้าหมายให้คนอื่นเรียกโดยไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าเขาใจจะไม่มีอาการจอยหรือคับพองด้วยการเปรียบเทียบฐานะหากเราหันมองใครด้วยอัตตาความรู้สึกในอิริยาบถจะแปรไปต่าง ถ้าอัตราเราใหญ่กว่าเขาเอาวัยวะน้อยใหญ่ในกายเราเหมือนปรากฏชัดหลายส่วนแต่หากอัตราเราเล็กกว่าเขาเอาวัยวะทั้งหลายก็หายหนนไปไหนไม่ทราบแต่หากไม่มีอัตราเปรียบเทียบเราเขามีเพียงสติรู้อิริยาบถยืนตามจริงทั้งเราทั้งเขาก็แค่รู ป, ปรขันมีสัสดส่วนสูงใหญ่กว่ากันเท่าที่ปรากฏตามจริง ไม่ใหญ่ไม่เล็กไปกว่านั้นมีความเป็นรู ป, ปรขันท์ที่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆเสมอกันอย่างนั้นฉันยกมือพนมไหว้ท่านด้วยความอ่อนน้อมและเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาแต่จิตลอบคิดหน่อยๆว่าฉันอายุมากกว่าแล้วความเจริญก้าวหน้าในสติปัฏฐานก็อาจมากกว่าพระเสียอีกทาไมต้องเป็นฝ่ายไหว้ด้วย นั่นเป็นความคิดเล็กคิดน้อยที่แม้แต่ฉันเองก็แทบไม่รู้สึกตัวแล้วก็ต้องแปลกใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าท่านสมภารผู้ปกครองวัดต้องการพบฉันแต่ฉันก็ไม่อิดเอื้อนเมื่อหลวงพี่ถามว่าจะไปพบท่านสมภารไหมฉันตอบรักว่าไปและเดินตามท่านทัน ท, นทีอะไรบางอย่างทำให้ไม่กล้าถามว่าท่านสมภารจะพบฉันด้วยเหตุทุระอันใด ระหว่างเดินตามหลังพระฉันนึกถึงความคิดสุดท้ายที่ติดค้างอยู่ในหัวก่อนหันมาเพราะพระเรียกอย่าคิดต่อให้จบๆแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกฉับพลันสติก็วาบขึ้นรู้นี่ไงอนิจังของสัญญาเมื่อครูสัญญายังเป็นตัวเป็นตนเป็นคลื่นอ่อนๆที่ปรากฏในจิตระลอกหนึ่งตอนนี้จับต้องไม่ได้ซะแล้ว ในลักษณะที่เขาเรียกควาน้ำเหลวพอเห็นเช่นนั้นก็เบิกบานและหยุดพยายามนึกถึงเรื่องที่ลืมในทันทีเพราะเกิดประสบการณ์น่าพอใจกว่าการนึกออกเสียอีกขณะนั้นเป็นเวลาใกล้พลบหลวงพี่นำฉันมาถึงกุฏิเครื่องไม้เครึ่องปูนหลังหนึ่งเมื่อเข้าไปก็พบภิกษุวัยใกล้ชรานั่งยิ้มเด่นเป็นประธาน ขนาบค้างอยู่ด้วยพระหนุ่มและเนรน้อยที่คอยปรนนิบัติรับใช้ฉันเยือกเย็นไปถึงจิตในทันทีที่สบสายตากับท่านรู้สึกว่าบรรยากาศรอบด้านร่มรื่นราวกับมาถึงสวนสวรรค์หลังจากพนมมือกราบเป็นจางค้าประดิษฐ์ท่านก็ถามไทยว่าชื่อเสียงเรียงนามใดมาจากไหนเป็นการปฏิสันฐานฉันตอบท่านด้วยความนอบน้อมครบทุกข้อแต่ขณะเดียวกัน ก็ยิ่งงงงันขึ้นทุกทีไม่แน่ใจว่าหลวงพี่ไปตามตัวผิดคนหรือเปล่าหรือว่านี่อาจเป็นธรรมเนียมแขกไปใครมาควรเข้ามากราบนมสัส ก, การเจ้าอาวาสแต่ฉันก็ไม่กล้าถามเพียงแต่เป็นฝ่ายตอบเมื่อท่านประสงค์จะทราบอะไรเมื่อท่านถามว่าเนี่ยจะย่คำค่าแล้วตั้งใจกลับกรุงเทพหรือพักแถวนี้ฉันตอบว่า ตั้งใจจะพักที่นี่และกลับกรุงเทพในเย็นวันพรุ่งท่านก็ชักชวนว่าหากไม่รังเกียจว่านี่เป็นวัดเล็กก็ขอให้พักได้มีห้องว่างสำหรับคารวาสอยู่ฉันตอบตกลงและกราบขอบพระคุณท่านในความกรุณาแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจกราบถามว่าเมื่อครูท่านเห็นฉันเดินจงกรมอยู่ใช่ไหมจึงให้พระไปตามฉันมาท่านตอบว่า ท่านก็นั่งอยู่ในห้องนี้กับพระเนนี่แหละแต่รู้สึกว่าจุดที่ฉันเดินจงกรมอยู่มีปัญญาสว่างสวัยเกิดขึ้นก็เกิดความสนใจและใช้ให้พระลูกศิษย์ไปตามเพราะอยากเห็นหน้าสีหน้าฉันยังเป็นปกติแต่ลอกลืนน้ำลายอึกหนึ่งวันนี้มาเจอของจริงเข้าแล้วฉันเคยพบพระผู้มีฌานมาบ้าง และตัวเองก็พอมีแสงเท่าหิ่งห้อยกับเขานิดหน่อยจึงไม่ประหลาดใจเรื่องความอย่างรู้กว้างขวางชนิดนี้ท่านสมภารชมฉันอีกว่าถ้าทางขยันเอาจริงเอา จ, งอาจังดีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมดูนิ่งราวกับพระที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีแถมแสงปัญญาฉายสว่างอย่างหาได้ยากฉันก็เกิดความกระหิมขึ้นมาทันที วันเนี้ยฝึกมาเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์กำกับนะแถมยังทะลึ่งคิดเลยเถิดต่อไปอีกว่าอย่างท่านสมภารเนี่ยแม้มีญาณรู้เห็นกว้างขวางก็คงต้องมีครูซึ่งเป็นบุคคลร่วมสมัยมาก่อนส่วนฉันนั้นเป็นอีกระดับหนึ่งคือมีครูเป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวพอคิดเพียงเท่านี้ท่านสมภารก็ยิ้มละไมแล้วทักสั้นๆด้วยน้ำเสียงที่สงบ อ่อนโยนมีเมตตาแท้จริงว่าถ้าอยู่คนเดียวบางทีก็ไม่มีเครื่องชี้ว่าเรามีมานะมากน้อยแค่ไหนและเมื่อไหร่เกิดมานะมานะก็จะเบียดสติให้ตกหายไปด้วยความใหญ่โตของมันฉันสะอึกอึง้งใจสะดุ้งไหวอยู่ข้างในนึกละอายจนทำหน้าแทบไม่ถูกฉันยอบหลังลงหมอบกราบซิโรราบจิตใจเบาโล่งอย่างประหลาดจุดอับ อันเป็นอีกฐานที่มั่นหนึ่งของกิเลสถูกเปิดเผยใส่ที่อุดท่อปัญญาให้ตันอีกจุดหนึ่งถูกกระทุ้งให้เด้งพรวดออกมารู้แล้วว่าทำไมพระเนนวัดนี้ถึงเรียบร้อยและสงบสํารวมกันนักมานะนั้นอย่างไรก็เป็นมานะแม้แต่ความคิดว่าเราเป็นลูกศิษย์แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ต้องฟังใครอื่นหากเก็บความคิดไว้กับตัว ในที่สุดก็ขยายขึ้นเป็นไม่มีใครดีเสมอเราไปโดยปริยายคำพูดแค่คำเดียวจากใครบางคนที่เป็นผู้รู้จริงผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าอาจทำให้สิ่งที่เรากำลังติดถูกแทงทะลุทะลวงพัฒนาจิตแบบก้าวกระโดดไปได้ง่ายๆและโดยมากปัญหาของนักภาวนาฝีมือดีก็มักจะหนีไม่พ้นเรื่องของอัตตามานะ ของผู้มีฝีมือดีนั่นเองนักภาวนาจํานวนมากเลยได้เป็นคนเก่งคนเด่นคนเชี่ยวชาญสติปัฏฐานสี่อยู่หลายปีหรือบางคนเคราะห์ร้ายหน่อยก็หลายชาติกว่าจะมีใครมาตบหลังหนักๆให้พ้นสิ่งที่อมไว้แก้มตุยหลุดออกมาได้ฉันกราบขอให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ไม่เคยนึกเคารพรักใครลึกซึ้งเท่าท่านมาก่อน ฉันขออนุญาตมาปฏิบัติภาวนาและขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากท่านทุกอาทิตย์ท่านตอบว่าจะมาพักปฏิบัติที่นี่เมื่อใดก็ได้แต่เดือนหน้าตัวท่านเองกำลังจะไปอยู่ที่เชียงรายระยะหนึ่งเพราะมีสาขาของครูบาอาจารย์ของท่านซึ่งกำลังอาพาธฝากให้ดูแลนับว่าน่าเสียดายยิ่งฉันถึงขนาดตั้งใจจะลงทุนซื้อตัวเครื่องบิน เพื่อกราบท่านที่เชียงรายโดยเฉพาะทีเดียวท่านบอกเพียงว่าฉันมาถูกทางแล้วไม่ต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์มากก็ได้เพียงสำรวจและประเมินตนเองตามแนวที่กําลังปฏิบัติอยู่นั่นแหละมีพระพุทธเจ้าเป็นครูใช่ไหมละ่ะนั่นแหละไม่มีครูที่ไหนอื่นยิ่งใหญ่กว่าและสอนได้ครบสอนได้เร็วเท่าอีกแล้วนอกจากนั้น ท่านยังเมตตาบอกให้ทราบว่ามรรคผลในปัจจุบันยังไม่ล้าสมัยมีพระและคราวาท์ทำได้กันอยู่มากเพียงแต่มรรคผลเป็นธรรมชาติลี้ลับไม่ปรากฏแสดงด้วยนิมิตหมายที่ชัดเจนพูดง่ายๆว่าธรรมชาติไม่แปะป้ายบอกไว้ว่านายคนนั้นนางคนนี้ได้มรรคผลถึงชั้นไหนและธรรมดาผู้ได้มรรคผล ก็มักขวนขวายน้อยปกปิดตนเองเพราะไม่อยากหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวไม่มีใครอยากยืดอกเป็นพยานให้พระพุทธเจ้าส่วนพวกที่หลงสำคัญผิดว่าตัวเองเป็นนั้นจะเสียงดังชอบเป่าประกาศและในที่สุดก็เกิดเรื่องงามหน้าทำให้ชาวประชาเสื่อมศรัทธาพอมีกรณีอื้เฉาบ่อยเข้าก็กลายเป็นไม่เชื่อลงไปถึงแก่นพุทธศาสนาไปเลย คือหมดศรัทธาแล้วว่ามรรคผลมีจริงหรือยังมีใครทําได้จริงเมื่อเกิดเสียงลือกันหนาหูว่ามรรคผลเป็นของล้าสมัยรากของพระศาสนาก็จะค่อยๆถูกถอนวันหนึ่งลำต้นทั้งหมดก็ไม่อาจยืนอยู่ได้ท่านบอกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจแก่นสารของศาสนาก็ดีแล้ว คนของศาสนาอื่นเขาไม่ฝากแก่นไว้ในมือนักบวชพวกเดียวแต่ฝากไว้กับชาวบ้านธรรมดาด้วยศาสนาถึงไม่ถูกทำลายง่ายสาระสำคัญสูงสุดในศาสนาก็ไม่ถูกลืมเร็วถ้าชักชวนคารวะ ด, ด้วยกันมาเข้าใจได้อย่างนี้มากๆก็จะดี